เในที่เสด็จพิณพรวันที่ยสิบห้าสิงหาคมสองันหารห้าณวัดสามันัตร์จังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความตรงใจ ใกลต่อการประพฤติดุกรับหน้าที่ที่ตนจะพึงทาใดๆพึงทา ด, ด้วยความตรงใจเราจะประกอบกิจใ ด, ดๆก็ตามถ้าขาดความตรงใจเรียกว่า สติจะทำจิตจิตุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความจงใจคือความตั้งใจในจิตจิตุระนั้นๆนี่นนแสดงถึงเรื่องของสติ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 ผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพก็เห็นนั้นความตั้งใจจริงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในกิจธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุด เราปัดกั่าดารลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับปียาแห่งความธรรมของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยจิตการงาน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 ที่มีต่อการงานแลบความเคยชินของนิสัยซึ่งในสึกภัตต์ั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในใจิตใจเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงของใจ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 ต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จัดจอ่อระมัดระวังหรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเครื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลคร้ครวนให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไป ได้เมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้ขั้มสอนดูแล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นค่าศึกต่อตอนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกขัดจิตฝึกขัดสติ พึกขัดปัญญาให้พึกขัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนสับเศรา้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็าตามถ้าเราทำด้วยความสับเศรา้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อลังเข้าไปสู่ความมักง่าย ในเวลาที่เราทําความสงบหรือทําความเพียรในทางใจโดยเฉพาะใช่เพราะฉะนั้นจึงต้องสุดหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อปิกการงานเสมอไม่ให้มีความทรัพเข้ามาก่ายฝังอยู่ในนิสัยของตอน ถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางดน้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทานองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเข้า จะเต็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในสอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจะทำงานภายนอกจึงสอดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซักเฝ้ามักง่ายในจิตวระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยนีส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 ให้เป็นคนจริงต่อภุรนาธิด้วยความจงใจทาจนสุดที่ัยในจิตการงานนั่น น, นให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจภูนี้แลเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบกาดีให้เป็นไปในทางปัญญากว่าดี จะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้า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 ทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นอิกเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนีเรียกว่ากลางทางอิกมีความเฉลียวฉล า, าดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็ามีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้น จากสีแ่แงดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลลไมา้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลลไมา้ปลายของผลไมา้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะคิ้ถูกไหมว่า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 ตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรืออยากว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความอยากความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดในิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกตอนแคนอย่าเป็นคนจับจด ฝึกถัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทําต้องทํากําหนดเวลาเวลาอย่างไรไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคราดในเวลาเวลาซึ่งตนของตนได้กําหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้า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 ไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทําตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังขึ้นใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนมกแวด ก, กอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แล้วเราจะอาศัย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 ถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในในทุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาจบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอย สมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศินลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้นีโทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผล มาจากที่ไหนเลอาปัญญาจะหูงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิด ช, ชอบคนชอบที่เจร น, นาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถแะรักษาสมบัติจะประกอบพันงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย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 ให้ฝึกขัดตนของตนเป็นทรนองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะอยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกผลหลบลมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านใครกรองดูเหตุผล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 ต้องเป็นไปกับสติหรปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทําเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรับครอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มี ก็เหมือนกันกันกนกบหัวต่อไม่เห็นปิกเกตกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิณิพจน์นะรื้อฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สําหรับหัวใจของเราเองวิเลศไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่าหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเครื้อง หมองมองซึ่งเกิดขึ้นจากคนี่เลยกจึงกลายเป็นขี่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าขี้โลกขี้โกรธขี้หลงขี้ลืมดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าขี้หมายถึงว่าเป็นของที่อยากก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสีย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 ปัญญาเป็นผู้จรยอยู่ทางภายในพิจารณาให้ชัดมีพูดถึงเรื่องการพกหัดนิสัยในเบื้องตน้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจพกหัดจริงเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้ว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 สร้างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินตรงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มนนะดังนี้เป็นต้นมีกสอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพราะความที่จะแวกว่ายจากวัตจักรอันนี้ไป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 คือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นขั้นขึ้นไปไต้องพยายามที่จะน่ายังเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรท่านั้นให้สังเกต ด, ดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติฐานสี่คือฐานที่ตั้งแห่งสติ อุดง่า ย, ายถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี้แล้วปัญญาค่องเคลียรอยู่ในสกนลกายนี้แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้ สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อายสาสันมรรคก็เป็นอันว่าเราได้บําเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่รองในธาตุขันทข์ของเรานี้ิโลทะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของคุกชั้นต่ําจนกระทัง่งถึงชั้นสูงสุด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 โดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกบ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างแถวนี้เรียกว่าที่เจรนากายยานุปัสนาสติปทานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเอง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 หมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบอกเกิดอย่างอุปาทาน ที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดัดเป็นลำดับเชนยังองสมเด็จพระปูมีพระพากคาทัานสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในปา่าช้าให้พิจารณาศากศบในปา่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกกันเอง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 เช่นอย่างวันหนึงนน่งสา ม, มือบ้างสองมือบ้างหรือมือเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาชินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุ ป, ปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความหลงมีเียว่ว่าการพิจารณา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 ว่าอันนี้จังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนนี้จังทุกขังอนัตตาไปและกับใิเสดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาที่มีแต่ความพิจารณาเวทนา เราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่แล้วความติดในอาการทั้งสี่หรือในสภาวธรรมทั้งสีนี้คือกายเวนาจิตธรรมนี้เราไม่เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวธรรมทั้งสีนี้เพราะเหตุ น, นั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวธรรมทั้งสีนี้ จึงไม่จําเป็นจะต้อง ก, กลลําหนดเวลามเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสำคัญมันม่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งอปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่ายอย่างไรหมายว่ายอย่างไรกําหนดพิจารณาตามกระแสแของใจสิ่งที่ไปหมายหรืออารมณ์เหล่านั้น เป็นธรรมขึ้นมาแล้วทีนี้เรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมเห็นไหมคว่าพิจารณาเวทนานายเวทนานอกอกันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่ง ส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันในชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเมตนาในนี้จะหมายถึงเมตนาอะไรเมตนานอกหมายถึงเมตนาอะไรเมตนานอกถ้าเราจเจอหมายคนอื่นเป็นทุกข์คนลำมากหากว่าเขามาแสดงปียามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขเป็นบทุกแล้ว เราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสมอเดอรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทําของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยาย เป็นไปเพราความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากกลัรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในถสถานที่นี้หรือเวลานี้เจ้าก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนานายหมายถึงจิตตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการ เจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนแห่ง อ, อวัยวะหรือจะปวดที่กลงไหนทุกที่กลงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเมทนานอกจะเป็นสุก ข, ข์กกขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจับว่าเป็นเวทนานอกทาง น, านั้นส่วนเวทนานานั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอํานาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้าง เกิดความสุขความรื่นเดินขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างเร่า น, นี้เรียกว่าเวทนาในก า, ารพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในามีไตร ล, ลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจรนารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอก ที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาทติประธานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปัญญาท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็พอเข้าใจแล้ว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 ที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับส้อนปมเตจู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกาหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสันนพางร่างกายและจิตใจของเราต้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสิปัฏฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาใน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 คำว่าอาริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคารหันก็ต้องได้อุบายไปจากรทมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอนานาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งตามไปจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะน่ารับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นขั้น ตามแต่กําลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในทำขั้นไหนเพราะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบัาง้งเป็นพระกิตาคามัาง้งเป็นพระนาคามัาง้งเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพริจารณาทติปัฏฐานทั้งสีก็ดีการพระพิจารณาในอริยสัจจะทำทั้งสีก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่า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 เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏฐนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอํานาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยกยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภ า, ายในใจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปทานของกายเสียได้ เมื่อพิจารณาถึงตรองเวทนาทั้งสามให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห็งกายนี่แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความชิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้ว ความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกันกบปล่อยวางตายเช่นนั้นการกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิาจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิาจารณาตามขั้นของจิต ที่มีความติดพันจิดมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคลลายเปิดเผยให้จิต ด, ดูว่ามีอะไรมั่งอยู่ภายในนี้เช่นอย่างพิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจเป็นสำคัญการนี้ว่าเป็นอะไรมัง่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทําความที่ใจจะทําความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้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 สุกทุกเฉยๆพี่คลายดูสัญญาให้ชัดพี่คลายดูสังขารให้ชัดพี่คลายดูวิญญาณให้ชัดโดยลักษณะเช่นเดียวกันกันกบพี่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้เกรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทาง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 ยิงจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าติดเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะ น, นี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงสิ่นรดเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มันหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกติกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นปุ่นเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุโทโธแต่ผู้เดียวทั้งๆั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่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 เป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันไดที่เหลือลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหก ม, มายาสาไยให้มันเห็นชัด้วยปัญญานี้แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรม ร, ธรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่อวิชชาได้คือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ในแต่กระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้ว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 ในหลักตามหลักธรรมชาติของตนยางแจมแจ้ง แ, แล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจริงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชารูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะ ท, วทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ำก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาทุกทกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตา เพราะกราเปานธรรที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบอกิดแหงความลี้ลับได้แก่อวิชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชาัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาชภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกกฐานนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่า ยุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งนี้รับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุสิตังปรมจริยังะตังกรณียังหมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีก หมดทั้งการล่การถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันว่าสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยจะทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทธโธดังนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัตจักรก็ได้เปิดเผยวิวัตจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกัน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 ที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุติทางธรรมะระยังเพราะเหตุ น, นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนาญโกน้อมขามาูตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบาย น, นี่เวลานี้เรากําลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสําหรับเราซึ่งกําลังลุ่มหลงอยู่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 พอธรรมชาติไี่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวมาทำทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจงกระทั่งถึงยิวตะคือท่านิพานเสีเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทําข้อวัดปฏิบัติทุกชิ้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัตตะทั้งสิบสิ่งที่เป็นนิวัตะขอให้บรรณาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กําหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอ เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยาบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัตตะจักด้วยทั้งวิวัตจักรด้ว ย, ววยในสันทิธิโกวความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเอ้และในอาวาสานก็ทำอธิษนานีา้ขอบุญญานุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำอย่างพระสงค์จงดลบรรดาให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจรนะิญงอกงามในศีลสมาธิปัญญา จนกระทั่งถึงอิมุตอิมุติยาธัศนะให้กลายเป็นธรรมเกิดเผยแจบรรดาท่านทั้งหลายโดยเร็วหลังเธอ